สังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็ย่นลงมาเอเป็นเอกาสังขารซะเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายที่นี่มาจากที่ใดบ้างมาจากนาครพ ร, พระนครหลวงก็มีใช่ไหมฮะ ยกมือทำาไมมามากแท้ฮะมาด้วยเฉพาะพระก็มาด้วยหรือพระมีไหมมาฮะมีแต่ไม่ีพระไม่มาหรอกเออ ปราทานกรรมฐานกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างย่นลงมาเป็นสองเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์เรียกอรูประกรรมฐานกรรมฐานจะมีตั้งหมื่นตั้งแสนทั้งล้านก็อตั้มย่นลงมาเป็นสองเท่านั้นมีรูปกรรมฐานมีนามกรรมฐานเท่านั้น มีแต่รูปกับนามเท่านั้นนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปเมื่อคืนในออกคาร์บอกซิเจนเมื่อคืนที่ประจร์ไม่เดินกับๆับับับหยุดกับกักับหยุดกับกับหยุดวันนี้เดินแล้ววันนี้ ว่านี่เดินเนีวยเมื่อคืนล้วค่อยเดินในโลกมีแต่รูปและอารูปเท่านั้นโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันก็มีแต่รูปกับอารูปเท่านั้นมีแต่รูปกับน้ำเท่านั้นมีแต่ท่าดิน้ําไฟลมหรือรูปนามเท่านั้นพวกที่เกิดได้ ลูปรพระรหมก็มีแต่นามลูกไม่มีพวกที่เกิดในมนุษย์สัตว์มนุษย์โลกสัตวโลกเทวโลกพรหมโลกก็มีแต่รูปกับนามส่วนพวกเกิดในพรหมโลกที่เป็นรูปคือรูป ประรมคืออนุปประพรมที่เป็นอารูปเช่นพวกเพ่งพิจารณาอากาศเป็นอารมณ์เพ่งพิจารณาวิญญาณเป็นอารมณ์เพ่งพิจารณาไม่มีวิญญาณไม่มีแห่งวิญญาณเป็นอารมณ์อากาศสารนันใจัตนะวิยญาณนันใจจตระอาจินญาณญาจตนะ เนีว่าสัญญาณาสัญญาอตนะพวกนี้เพ่งอารมณ์เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็จะตายคาอันนั้นเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่ก็เลยตายคาอันนั้นแล้วก็ไปเกิดอรุปรพมพวกนี้มีแต่เวทนากับสัญญากับสังขารพวกส่วนมีวิญญาณมีอยู่ วิญญาณคือใจคำเภีรงหนึ่งก็บัญญัติไร้ใจคำเภีรงอนัตตลักษณคณะสูตรบัญญัติไร้ใจวิญญาณวิญญาณใช่แทนใจคำว่าใจแปลเป็นไทยแล้วคำว่าจิตก็เป็นคำบาลีคำว่าใจแปลเป็นไทยแล้วคำว่าวิญญาณก็เป็นภาษาบาลีคำว่ามนัส ก็เป็นภาษาบาลีคําว่ามโนก็เป็นภาษาบาลีคําว่าใจแปลเป็นไทยแล้วมนัตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีก็คือใจเราดีๆนี่เองที่สมมุติกันผู้ตายคาจิตเด่นดวงภาวนาไปแล้วตายคาจิตเด่นดวง ผู้นั้นไปเกิดอรูปภพ ผ, ผู้ตายไม่คาเสียงใดเลยกิจเป็นแต่สักไม่กิจผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้เวทนาสัญญาสังขารเวิญญาณก็เป็นแต่สักว่าเวทนาสังขารสัญญาสังขารเนีญญ้ยนามก็เป็นแต่สักว่านามรูปก็เป็นแต่สักว่ารูป อดีตก็เป็นแต่สักว่าอดีตอนาคตก็เป็นแต่สักว่าอนาคตปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าปัจจุบันสุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นแต่สักว่าสุขทุกข์อุเบกขาไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตก็ว่างอยู่ณที่นั้นเองไม่ต้องทำกิริยาให้ว่างทมทั้งหลายก็ว่างอยู่ณที่นั้นเองไม่ต้องทำกิริยาให้ว่างพราะมันรู้เท่าแล้วมันว่างเองมัน ไม่ทำคิริยาว่างมันว่างอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้นั้นก็เข้าสู่พระานไปซะผู้ติดคาไปเห็นนรกแล้วก็สิ้นลมฟานในนั้น ผู้ไปเห็นสวรรค์ก็ชิ้ลมปลานในขณะนั้นยังไม่พลิกไปทางอื่นผู้นั้นตายแล้วก็ไปสวรรค์หรือเห็นพรหมโลกแล้วยังไม่ได้ถอนอุ ป, ปาทานยังยึดถืออยู่ก็ไปเกิดในพรหมโลกถ้าเห็นคันวานดาก็ไปเกิดในคันวานดาถ้าเห็นขนทางก็ไปเกิด สัตติราชานยังไม่ทันพลิกไปใจไปทางอื่นถ้าไปเห็นไฟก็ไปเกิดในนรกถ้าไปเห็นถ่าน้า้ำก็หรือหวนางก็ไปเกิดเป็นสัตว์ติราชานยังไม่พลิกไปทางอื่นอาสนกรรมกรรมเมื่อจวนเจียนเป็นของสำคัญมาก เหตุนั่นจึงหัดภาวนาเพื่อจะเอาใช่ในเวลาใกล้กจะตายส่วนสุปฏิปั น, นุจะตายในเวลาไหนก็ปิดอบายภูมิเลยอุชุก็เหมือนกันยายะก็เหมือนกันส่วนสามีไม่ต้องว่าละเข้าสู่พระนานเลย พวกที่ไม่แน่นอนก็คือต่ำกว่าพระสวสดาบันลงมาไม่แน่นอนบางทีเวลาจะตายและลึกถึงทานฉินภาวนาของตนก็ไปสู่เทวโลกบ้างถ้าไม่และลึกเห็นก็ต้องไปตกนรกพระไม่แน่นอนถ้าและลึกเห็นก็ต้องไป ถ้าไปตกนรกแล้วหมดกรรมแล้วจึงได้มาเสวยกุศลผลบุญที่ตนสร้างไว้เพราะยังไม่ถึงพระโสดาวันถ้านึกเียนกุศลผลบุญของตนก็ไปเกิดในเทวโลกบ้างพมโลกบ้างเมื่อหมดอานิสง่งก็ลงมาสู่สัตว์ที่ดิฉานหรือมนุษย์อีก หรือไปลงนรกอีกก็อาจเป็นได้ในชาติต่ อ, ตอไปเพราะยังไม่ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วปิดแล้วไม่ได้ไปเวลาตายจะตายโหมงก็าตามจะตายนอนหลับอะไรก็าตามก็ต้องไปสุคติไม่สวรรค์กม็มนุษย์มนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเสียด้วย อย่างต่าก็เกิดอีกชาติเดียวอย่างกลางเกิดอีกสามชาติอย่างชาแท้ก็เกิดอีกเก็ดชาติส่วนพระสกทาคามีเกิดอีกสามชาติไปเทวโลกบ้างมามนุษย์บ้างส่วนพระอนาคามี ปณิยานในภพที่เกิดนั่นก็มีจำพวกหนึ่งปณิพานในภพที่เกิดนั้นเป็นจำนวนหลายลา้านจำพวกหนึ่งทําความเพียนเลี่ยวแรงก็เป็นจำนวนหลายลา้านแต่ว่าเกิดในภพที่เกิดนั่นเองคือชั้นอววหาเป็นต้นชั้นอาตปาทุตสาทุตสีเป็นต้นชั้นใดชั้นหนึ่งวางจำพวกก็มีอายุ ชวนกึงจะถึงที่สุดบางจำพวกก็ยังไม่ทันจะถึงกึงสมมติว่าในชั้นอวิหามีอายุห้าพันกับแต่ยังไม่ถึงห้าพันกับนะยังไม่ถึงกึงห้าพันกับนะแล้วก็ปริณีพานบางท่านก็จวนกึงจะถึงที่สุดบางจำพวกส่วนองค์ที่ห้า ต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดทบสูงขึ้นไปเกิดอเวหาออกจากอเวหาไปอัตปาออกจากอัตปาไปสุทัศสาออกจากสุทัศสาไปสุทัศสีออกจากสุทัศสีไปอาการิทักกาบางท่านก็อวิอาวิหา <assemble> ไม่ไปไปอัตปาออกจากอาตปาไปสุทัศสาออกจากสุทัศสาไปสุทัศสีออกจากสุทัศสีไปาการิทักกาบางพวกอาอตปาไม่ไปข้ามเลย ไปสุทธิษาออกจากสุทธิษาไปสุทธสีออกจากสุท ธ, สธิ ส, ธออสธีประกาศนิสสกาบางพวกเอาวิหารอัตปาสุทธิสาไม่ไปไปสุทธิสีและไปาาระประกาศนิสกาและตอนนีนี่ผ่านในภพนั้นมีอยู่ห้าจำพวกแต่ละจำพวกก็ตั้งลั่นล้านทีเดียวพระโสราวันก็มีสามจำพวกแต่ละจำพวกก็ตั้งลั่นล้านทีเดียว พระอนาคามีมีจำพวกพระสกทาคามีมีจำพวกเดียวแต่ละจำพวกก็ตังละละละละ้งร้านพระหัน์ไม่สี่จำพวกสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิพัสนาลุวนเตวิทโตผู้ได้วิชาสามชละพิญโยผู้ได้อภิญญาหกปฏิสัมพิทัพโตผู้ได้ปฏิสัมพิพทสพาสี่แตกฉานได้อัดในธรรมจำพวกแต่ละจำพวกจำพวก ก็มีตั้งล้านล้านเหมือนกันถึงอย่างล้านก็เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคมันไปไหนหมดก็ฝากไว้กับพระเจ้าองค์อื่นการปฏิบัติไม่เสียถ้าไม่ได้ในพระอาหารหันต์ในปัจจุบันในชาติก็สามารถ จะได้พระอนาคามีถ้าไม่ได้พระอนาคามีก็สามารถจะเป็นนิสัยพระปฏิจเจถ้าไม่ได้เป็นนิสัยพระปฏิจเจพราพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็สองสามบาทคาถาก็พ้นไปซะการปฏิบัติไม่เสีย เหมือนคนเราทำนาเหมือนคนเราขยันหมั่นเพียรถึงแม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่ได้ขอเขากินนักมักผลนิพพานมีอยู่ที่ไหน ก็มีอยู่ที่ดวงใจแต่ละท่านและคนนั่นเองถ้าทำให้เกิดให้มีขึ้นถ้าไม่ทำไม่ให้เกิดให้มีมีแต่กิเลสพุ่มหอ่อมันก็อยู่ที่นั่นเองคล้ายๆกับทองถ้าไม่มีใครขุดมันก็ฝังอยู่ในดินหรือเพชรนินจินดาเหมือนกันถ้ามีใครขุดมันก็เห็นถ้ามีใครไปหา มันขึ้นอยู่กับผู้หาขึ้นอยู่กับผู้เห็นขึ้นอยู่กับผู้ขยันทำไมเราจึงถือศาสนาพุทธพระคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่โด่งดังอยู่ทุกยุคทุกสมัย และมีเหตุผลด้วยไม่มีคัดค้านเป็นธรรมมาเทปไตยด้วยไม่โอนเอียงเข้ากับชันวันนะประเทศใดๆและเทวตรเทวดามารพรมเลยเหมือนไฟใครไปจับก็ร้อนทั้งนั้นเหมือนน้ำเย็นๆใครไปดื่มก็เย็นทั้งนั้น ไม่โอนเอียงเข้ากับพรรกับพวกใดใดทั้งสิ้นเป็นพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนา์ไปจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นปัญหาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหามีอยู่ทุกการทุกเวลาทํำไฟเกิดไฟดับก็เกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้พระนิพพานก็จริงอยู่หาระหว่างไม่ได้ ทางที่จะเข้าสู่พระนิพพานคือมรรคกับนิโรธก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทุกข์กับสมุทัยก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมรรคกับนิโรธก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็าตามไม่ลบเลือนไปทางไหนเลยนะมีอยู่อย่างนั้นไม่สูญไปไหน ถึงว่าพระพุทธเจ้าจะมาล้านล้านก็าตามมาเป็นยุคยุคก็ตามทำทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นของเก่าเหมือนกันไม่เป็นของใหม่เลยไม่ได้เพิ่มพรบกันเหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกกฎอะไรต่ออะไรพวกเราที่ยุ่งเหยิงกันในโลกย่อมเพิ่มเข้าบ้างยอมตัดออกบ้างตามยุคตามคราว ของโลกลากไปส่วนธรรมของพระพุทธศาสนาะไม่มีใครลากไปที่ไหนพระพุทธเจ้ามาก็มาลงเอยกันทุกๆพระองค์เลยเป็นของตายตัวอยู่แล้วธรรมทั้งหลายมีอยู่ทุกๆ ท, ท่านแล้ว เราจะรักษาเอาหรือไม่เท่านั้นความแก่ความเก็บความตายก็มีอยู่ทุกคนถ้าไม่มีแก่เก็บตายถ้าไม่มีโรคโกรธหลงก็ไม่มีใครอยากจะหนีจากโลก oh. ถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีท่านผู้ใดจะหนีจากอุปสรรคเลยเหตุไนจึงมีพระนิพพานไว้ต้อนรับของผู้มีกิเลส ของผู้พนจากกิเลสก็เพราะโลกมันเต็มไปด้วยกองทุกข์ถ้าโลกไม่มีทุกข์พระานก็ไม่มีเพราะจะเอาโลกเป็นพรนะานโลกหมุนเวียนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนรุตชีตีติแปรผู้ย่อยยับไป ผู้ยินดีในโลกเพื่อจะสร้างบา ร, รมีออกผู้นั้นบา ร, รมีจะกล้ามาแล้วผู้ยินดีในโลกแต่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะออกโลกผู้นั้นก็หลงหลุมฐานเพลิงผู้ยินดีในโลกมีสองจำพวกผู้ยินดีในโลกคือยินดีจะปฏิบัติเพื่อพ้นออกไปจากโลกจําพวกหนึ่งยินดีจนลืมตัวไม่มีข้อวัดเลยอีพ่ออีแม่กูเอ๋ย เราเป็นจำพวกไหนเราต้องตรวจดูเราด้วยดอกบัวสีเหล่าก็มีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมินอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมินอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิมีอยู่ทุกกางท่านผู้พ้นไปแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนท่านผู้พยายามจะพ้น คือดอกบัวตูงก็ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้กําลังจะสร้างกุศลผลบุญคือยันกสรสารากาขอสาอาขาอยู่ก็ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ถือว่าไม่มีบาปมีบุญก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคือดอกบัวใต้นะ้ํะมีอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยนั่นทุกการทุกเวลาด้วยแต่เราจะเป็นดอกบัวชนิดไหนต่างคนก็ต่างตรวจตนเองจะให้ผู้อื่นให้คะแนนไม่ได้ นัเรามีสิทิ์จะดูเราได้เหมือนกันโลกกรดหลงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของอร่อยอยู่เราก็ไม่เสียดายอยากละมันเพราะมันแซบอยู่แซบเป็นคำภาษาภาคอีสานถ้าเห็นว่ามันไม่แซบเราก็จะพยายามละมันถ้ามันแซบอยู่ก็ไม่ต้องพยายามละมันถูกไหม ถ้าเราเห็นว่าชิ้นห้านี่เป็นยักษ์เป็นมารเราก็ไม่อยากจะปฏิบัติใช่ไหมถ้าเห็นว่าชิ้นห้านี่เป็นทางไปทางโลกุตระเราก็ต้องการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจว่าชิ้นห้าจะพาคนให้อดถ้าอยากตายการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้เป็นคนโง่อย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากปฏิบัติถ้าเราเห็นว่าศิ้นห้า เป็นทรัพย์ภายในด้วยเป็นโลกุตระทัพย์ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโลกุตระทรัพย์พอยู่ที่รวงใจด้วยถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นหนทางที่จะออกไปจากโลกถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราไม่เชื่อเลยอย่างนี้ก็สอสแสดงให้เห็นว่าบารมีของข้านี้ยังหยาบอยู่นะ มีเครื่องทดสอบเหมือนกันถ้าเราไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็สอแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่ถ้าเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติอันนั้นบารมีแก่กล้าเป็นชั้นที่หนึ่งผู้อยากจะเกิดในภพต่อๆไป หรือในพาษีรียัเมตไตยอย่างนี้พวกนั้นเป็นบารามีชั้นที่สอง mm hmm. ผู้บาลามีชั้นที่สามลงมาอีก mm hmm. พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามเถิดขอให้ได้มรรคผลนพ槃ในอนาคตกตการนั้นเถิดอนาคตกตการนั้นเถิดนั้นเป็นชั้นที่สามจัดไปเพียงสามชั้นก็พอแล้ว mm hmm. ผู้บาลามีแกกล้ามาแล้วต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาตินี้แต่ ด่นลงมาอีกว่าปัจจุบันน่จิตปัจจุบันนธรรมอันใดที่รุดพ้นไม่กราบกอกไม่เลยเศษข้าไปเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงชั่วรักนิ้วมือเดียวเถิดอันนี้บาลมีแก่ก้าวที่สุดเนี่ยทําให้อย่างนั้นแล้วก็ยังยังมากเลยทำไมจึงยินดีในพระนิพพานเพราะเห็นในโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ ไม่มีกลางวันกลงคืนไม่มีใครโกหกพกรลมได้เห็นชัดแล้วตายก็เห็นแก่ก็เห็นเก็บก็เห็นถ้าเราเห็ว่าก็แย่งกันก็เห็นหน่าเบื่อเหลือเกินนั่งกูรักของมึงมึงรักของกูกูสนองมึงมึงสนองกูไม่ชนะกันเวนไม่ชนะเวนไพ่ไม่ชนะไพ่ ถ้ามีสินห้าแล้วก็ปลดเวรแล้วนะเวรที่จะไปเป็นสัตว์ที่เดืดฉานมันก็ปลดแล้วปลดเวรห ย, ยาบๆแล้วก็มีหน้าที่จะเดินตรงไปพระเนรพาเท่านั้นเรื่อมใสในพุทธศาสนาเดินตรงเพื่อจะไปพระนรพนไม่ได้แวะซ้ายในขวาเอ๊ะเป็นเส้นนี้หรือไม่ เอ๊ะเป็นเช่นนี้หรือไม่ไม่สงสัยเอ๊ะเราจะถอยหลังไหมมันก็ไม่สงสัยมีแต่เดินรุดหน้าเลยอผู้แข็งแรงก็เดินเร็วผู้ช้าก็ค่อยไปแต่ไม่สงสัยว่าจะถอยไม่สงสัยว่าจะปรีดนั่นถ้าสงสัยว่าจะถอยสงสัยว่าจะปรีดสงสัยดัยงนั้นอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ถึงสุปฏิปนูอิพ่ออิแม่เอ๋ยนะ พ่ อ, อีแม่เอ๋ยเป็นคำพากย์อีสานใช่ไหมที่นี่ท่านผู้ใดจะภาวนาอันใดก็ภาวนาเถิดดีทั้งนั้นภาวนาเกิดแก่เก็บตายก็ดีให้เห็นโทษในเกิดเห็นโทษในแก่เห็นโทษ ใ, ในเก็บเห็นโทษในตายเห็นพระเดชพระคุณในทางที่แมมาเกิดแก่เก็บตายผู้นั้นสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้ว คนเราจะถูกสมมติว่ารูปหอสักเพียงไหนก็ตามแต่พังลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมตายแล้วก็เหมนเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่ทันตายก็เหมอนเหมือนกันใช่ไหมนั่นในท้องมีอะไรบ้างทวานหนักทวารเราของพวกเราเราจะล่างดีสักเพียงไหน ก็มีกลิ่นและสีอยู่อย่างนั้นใช่ไหมที่เราสมมุติว่าสวยๆงามๆนะมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นผมของตนเองหล่นลงไปในถ้วยแกงเราจะรับทานได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่น อกรรมาฐานเอกอันนี้คนเราถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงอันอื่นเหมือนกันถ้าข้ามทะเลหนังก็ข้ามทะเลเนื้อข้ามทะเลกระดูกเหมือนกันถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงอันอื่นลอกหนังดูหรูหมดทุกคนนี่เอามากองไหมนี่สองตางเอาไหมไม่เอาเอาอาเจียนออกมาดูหรูเต็มนี่ เอาไหมสองตังค์ไม่เอาวิ่งหนีไหมวิ่งนั่งทายอุจจาระออกมาดูหรูเต็มเอาไหมเอาไปใส่พักไหมไม่เอา <c oughs> ถูกไหมอันนี้เป็นภาวนาทางนั้นผู้ใดมีราคะจริตมากก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นผู้ใดมีโทสะจริตมากก็แผ่เมตตา ถึงตนและสัตว์ผู้อื่นอย่าให้มีเวเนภัยกันเพราะไม่ชอบเวณชอบไัยผู้ใดชอบหลงลืมลืมหลงหลงให้กําหนดรมหายใจเข้าออกผู้ใดมีศรัทธาไม่รู้ว่าท่านผู้ใดพูดอะไรก็เชื่อเอาเชื่อเอาไม่ยรู้ว่าทางดีทางชั่วพอได้ยินอะไรก็เชื่อเลยก็ให้เจริญพุทธโธธรรมโมสังโฆทีนี้พี่น้องทั้งหลายมามากวันนี้ แล้วจะให้พระเทศเพราะผู้ฟังก็ฟังแล้วผู้ไม่ได้ฟังก็มีเพราะมันอยู่ในหนังสือเล่มโตๆใหญ่ๆจะให้พระเทศเรื่องโลกจะแตกให้ฟังมดศาสนาพุทธของเราเนี่ยมดศาสนาพระธิยามไม่ตายนย้พระอาทิตย์จะขึ้นเอ็ดดวงผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็ให้ได้ยินซะบ้าง ผู้ที่เคยได้ยินแล้วก็บบยังจำไม่ได้ก็ให้จำได้อีก <c oughs> <c oughs> เพื่อเป็นเครื่องเค็ดลาบในวัฏสงสารเพิ่มกันอีกเหมือนกัน no เอาไหมฟังไหมฮะฟังไหมฟังด้ครับบ่ <f atter> <up> คนมามากเพราะแต่ก่อนคนไม่มามากถึงขนาดนี้พระขึ้นเทศ กระเสียมกระเทศเอา้าเทศให้ฟังถึงเทศฟังสามครั้งสีครั้งก็ยังจำไม่ได้นะถูกไหมเออเอาเนี่ยไปเทศเนี่ยเทศเทศฝากภาษาเยมตไตไปเดอิอหนเนาะ มดศาสตร์สนาภาษียาเมียไจจะเจออันนี้นะพวกเราให้เข้าสูง่างาการขอเอาเอาเนี่ยไป